มีกครอยากจะถามอะไรไหมมีใจมีข้อสงสัยหรืไม่เข้าใจธรรมาส่วนหนฟัง ไม่เข้าใจอยากจะให้อธิบายให้ชัดเจนขึน้นก็ถามมาได้นะถ้าไม่ถามก็จะพูดไปแบบกลางๆไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดบอกภาพรวมบอกนนถามว่าจะต้อง ไปตรงจุดไหนไปทำอะไรการศาึกษาทางพระพุทธศาสนานี้เป็นส่วนแรกเป็นการดูแผนที่ดูทางที่เราจะเดินทางไปถ้าเราไม่มีแผนที่เราจะ หลงทางได้ถ้ามีแผนที่แล้วเราเดินตามแผนที่ไปเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางทางศาสนาจึงต้องมีการศึกษาก่อนการศึกษาใศภาษาพระท่านเรียกว่าปริยัติธรรมศึกษาแล้วเราก็ออกเดินทางตามแผนที่ ที่เราได้ศึกษาการออกเดินทางนี้เรียกว่าการปฏิบัติภาษาพระก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมพอเราออกเดินทางแล้วเดินทางไปเรื่อยๆท้าไม่ไปหลงทางไม่ไปเลี้ยวผิดทางก็จะไปถึงทางจุดหมายปลายทางพอถึงจุดหมายปลายทาง เราก็เรียกว่าบรรลุธรรมภาษาพระถ้าเรียกว่าปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทมีสามขั้นโดยกันในทางสาตนาขั้นแรกเรียกว่าปฏิยัติขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติขั้นที่สามเรียกว่าปฏิเวท คือสมสำเร็จเดินถึงเดินทางถึงจุดหมายปลายทางถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนจบปริญญาได้รับปริญญาพอได้รับปริญญาแล้วก็สามารถเอาปริญญาไปทำประโยชน์ได้ต่อไปทางศาสนาก็มีการเอาปริญญาไปทำประโยชน์คือเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็ เอาไปสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นนี่คือขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ที่จะเข้าในพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาก่อนแล้วค่อยปฏิบัติปฏิบัติไปก่อนจนกว่าจะบรรลุบรรลุแล้วถึงค่อยเอาไป เผ ย, ย, แยแผ่สั่งสอนให้แต่ผู้ถ้ายังไม่บรรลุแล้วไปถ้ผยแผ่สั่งสอนก็จะสอนแบบผิดๆถูกๆเพราะตนเองยังไปไม่ถึงจุดไหนไปลายทางถ้ายังไม่รู้ว่าทางที่จะไปนั้นถูกต้องหรือไม่จากการได้ยินได้ฟังได้เรียนมาเพียงแต่ได้ยินได้ฟัง และยังไม่ได้ไปปฏิบัติไปพิสุจได้เห็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเอาไปสอนก็จะสอนแบบที่ผิดถูกถูกพอเวลาได้ยินมากับเวลาที่ได้เห็นจากการปฏิบัตินี้มันจะ ไม่ตรงกับคือการได้ยินได้ฟังนี้ยังเป็นเพียงแต่การจินตนาการถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่ได้เห็นกับตาด้วยตนเองเหมือนกับคนที่มาเล่าบอกให้เราฟังว่าที่บนเขานี้มายอย่างไร เป็นอย่างไรมีอะไรถ้าเรายังไม่ได้เดินทางมาเองเราก็จะยังไม่เห็นกับตาเราก็อาจจะจินตนาการไปตามคําพูดตามที่เราได้ยินได้ฟังมาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงแต่ถ้าเราได้เดินทางมาจนมาถึงจุดหมายปลายทางถึงสถานที่นี้แล้ว เห็นกับตาลรวแล้วว่าเป็นอย่างไรมีความ ร, รู้สึกอย่างไรสถานที่นี้ร้อนหรือเย็นมีลมพัดหรือไม่มีลมพัดมีเสียงอะไรบ้างมไม่มีเสียงอะไรบ้างอันนี้เราจะรู้ชัดเจนสามารถพูดได้อย่างเป็นปากแต่ถ้าเรายังไม่ได้มา เแต่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นเราก็จะไม่รู้รายรละเอียดแลวเราก็จะจินตนาการใส่ตางความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงดังนั้นในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปสั่งสอนผู้อื่นให้สั่งสอนตนเองให้ได้ก่อน สอนใจของตนเองให้สงบให้ได้ก่อนสอนใจของตนเองให้หายพยศก่อนแล้วค่อยไปสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อถ้ายังไม่สามารถปฝากพยศสอนใจให้หายพยศได้เนีย่ยไปเสียเวล า, อาสอนให้แก่ผู้อื่นเลยก็จะไม่เกิดประโยชน์ผู้อื่นเขาก็จะไม่ศรัทธาในเมื่อ คำสอนกับการปฏิบัติการกระทำของเรานี้มันขัดกันเหมือนแม่ปูสอนลูกปูแม่ปูอยากให้ลูกปูเดินตรงก็คอยสอนบอกให้ลูกเดินตรงๆแล่เดินเฉไปเฉมาแต่ตัวแม่เองก็ไม่ได้เดินตรงเหมือนกับที่สอนให้กับลูกลูกเห็นแม่เดินอย่างไร ลูกก็เดินตามแม่แบบนั้นถ้าแม่เดินตรงลูกก็จะเดินตรงถ้าแม่เดินเฉไปเฉยมาลูกก็จะเดินเฉยไปเฉยมาอาจารย์เป็นอย่างไรลูกศิษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ า, าถ้าอาจารย์หูหนวกตาบอดลูกศิษย์ก็จะหูหนวกตาบอดตามเหมือนกับนิทานในสมัยพระพุทธการที่มีคนเิ้มมา้า หาพิการเดินหากระเพกกระเพกมามันก็เดินกระเพกกระเพกตามคนเีิมาอันนี้ขอให้เราพึงสังวรว่าการพูดของเรานี้ไม่สำคัญเท่ากับการกระทาของเราการพูดนีง่ายใครๆก็พูดได้พูดอย่างหนึ่งแล้วไปทำอีกอย่าง อย่างมีกรณีมีท่านหนึ่งมาบวชเป็นพระแล้วก็ลาศิกขาไปบอกว่าหายสงสัยแล้วหายสงสัยแล้วทําไมถึงต้องสุดด้วยคนที่หายสงสัยคนที่บรรลุธรรมเขามักจะไม่สึกกันเช่นพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้ ไม่ได้ราสิกขาจากการเป็นพระกับไปอยู่ภายในวังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะถูกความหลงหลอกตนเองได้ถ้าศึกษาและปฏิบัติโดยไม่ดูครูบาอาจารย์ ดูผู้ที่สั่งสอนเราคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายไม่ปรากฏมีว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกองค์ใดองค์หนึ่งที่หลังจากบรรลุธรรมแล้วจะลาสิกขาไปไม่มีคกที่บรรลุแล้วลาสิกขาไปนี้ไม่ทราบว่าลาไปหาอะไรลาไปทําอะไร ก็เป็นเพราะว่าศึกษาอย่างเดียวแล้วก็จินตนาการไปตามขั้นตอนของการศึกษาว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วไม่สงสัยแล้วแต่ใจยังดื้นคลานอยู่ข้างในยังอยากจะดื้นออกไปหานาบยสศสรรเสริญยังอยากจะออกไปหาแสงสีเสียงหาความสุขทางการมรด หาความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายออกไปหาแฟนหาภรรยาแล้วก็บอกว่าตนเองไม่สงสัยได้มนุษย์แล้วอันนี้ก็ต้องระมัดรอวการปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อให้ใจอิ่มให้ใจพอให้ใจไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็ น, น, านลากยศสรรเสริญหรือเป็นความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายอาปฏิบัติทำไปแล้วใจสงบใจจะพบความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่จะได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ใุได้ได้รับปรับความสุขความสงบของใจแล้ว ฉัไม่อยากได้ลาบยศสมเสริญฉัไม่อยากได้รู้เสียงกิ่นรสสดกัก ษ, ษเราจะไปลาสิกขาไปทำอะไรอาราสิกขาก็แสดงว่าต้องการที่จะไปหาลาบยศสมเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกร่า ง, งกายนั่นเองเ ถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นเพียงแต่ต้องการออกไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ต้องสึกก็ได้อยู่เป็นนักบวชนี่กับสบายกว่าเยอะแยะในเรื่องการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องข น, นเตนาะมีผู้สนับสนุนอยู่เต็มที่ตลอดเวลาอาหารก็มีรับประทานอย่างพอเพียงอย่างเหนือเฟือที่อยู่อาศัยก็มี ยารักษาโรค ก, ก็มีเครื่องนึ่งผมก็มีให้พร้อมทุอกทอย่างทำไมจะต้องไปดิ้นรนหาเองให้เหนื่อยยากทำไมอันนี้ก็ไม่ได้พูดตำหนิพูดที่กระทำเพียงแต่จะให้เป็นเครื่องเตือนสติให้ทันที่ยัง ไม่ได้ปฏิบัติเพียงจะได้ศึกษาและอาจจะคิดว่าตนเองเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะคิดว่าเป็นการบรรลุแล้วอันนี้ยังไม่ใช่เป็นตัววัดที่แท้จริงตัววัดที่แท้จริงต้องดูที่ใจว่ายังมีปัญหาความอยากอยู่หรือเปล่าอันนี้แหละตัวที่จะวัด ว่าบรรลุจริงเลยไม่บรรลุจริงยังมีกามพัญหาอยู่หรือเปล่ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัสพเพอยู่หรือเปล่ายังอยากดูยังอยากฟังยังอยากไปเที่ยวไปชมไปดื่มไปรับประทานไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่ายัาง ไม่บรรลุหรือบรรุ ก, ก็ยังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุดเชยนท่านแรกนี้ก็ยังมีความอยากในการมาลงอยู่คือขัานพระโสดาบันนี้ท่านยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ท่านได้ละความอยากในเรื่องของความแก่ความเจ็บไข้ได้สว่วในเรื่องของความตายของร่างกายได้ คือท่านไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ส่วยอยากไม่ตายท่านยอมรับว่ามีเกิดก็ต้องมีตายเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาไม่ต้องไปทําบุญสะเดาะเคราะห์แก้ความเสื่อมแก้ความสวยทั้งหลายเพราะยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องมีเจริญมีเสื่อม มีรวยก็มีจนยากมีเจริญราบก็มีการเสื่อมราบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีมินามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปสลับกันมาไปทำบุญสละเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆก็จะไม่สามารถมายักยั้งการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้ ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของลาบยศสนรเสรญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเจริญแล้วเจริญขึ้นอีกเจริญขึ้นอีกอ ก, ก็ได้เเจริญหน้าก็เสื่อมลงเสื่อมลงไปเมื่อเสื่อมลงไปแล้วก็เจริญกลับขึ้นมาใหม่ มันมีขึ้นๆลงๆเป็นปกติของมันเหมือนน้ำน้ําในทะเลที่มีขึ้นมีลงเป็นปกติของเขาผู้ที่อยู่ในโลกถ้าไม่ได้เข้าใจหลักของอนิจจ์ความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนก็จะพยายามที่จะทําให้สิ่งต่างๆนันแน่นอนเที่ยงแท้ แต่ทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนได้แต่ไม่รู้ว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจของตรงนั้นก็จากการที่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนอยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอนแน่นอนท่านนั้นเองปัญหาอยู่ตรงนั้นผู้ที่ปฏิบัติทมได้บรรลุท่านแรงนี้ก็จะ เห็นความไม่สบายใจของตนว่าเกิดจากความไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วอยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอนนี้แน่นอนเช่นอยากให้ร่างกายนี้ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเห็นร่างกายแก่เห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วเห็นร่างกายตา ย, ตายก็เกิดความไม่สบายใจเช่น เวลาไปงานศพไม่ค่อยมีใครอยากจะไปงานศพกันเพราะว่าไปแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ความตายหรืองานศพนี้ไม่ใช่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจต้นเหตุของการทำให้เราไม่สบายใจนั่นก็คือความอยากไม่ตายของเรานั่นเองเห็นซากศพเห็นศพคนเห็นคนตาย ถ้าคิดว่าเราทักวันหนึ่งก็จะต้องตายเหมือนกันพอคิดอย่างนั้นใจก็จะอาการหดหู่เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถ้าวนมีเกิดย่อมมีแกมีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาอันนี้แหละที่ทำให้ใจของเราทุกใจของเราไม่สบายทังนั้นเวลาที่เราไม่สบายใจเห็นคนเสื่อมเห็นคนแกเห็นคนตายแล้วเราก็ไปทำบุญสนุกสนองก็ด้วยวิธีการของๆา ก็จะไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจเราหายจากความไม่สบายใจได้แล้วก็ไม่สามารถไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดา เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ดังนั้นเราอย่าไปอยากให้เฉยเวลาอยากไปอยากให้ไม่สบายใจไปเป่ า, ปาไม่เกิดประโยน์อะไรทำใจเฉยๆรับรู้ไปตามความจริงเท่านั้นเองใจก็จะหายจากความไม่สบายใจ ไม่ต้องไปทำบุญเสด็ะเ็าด้วยวิธีการต่างๆมีคือการบรรลุของพระโสดาบันท่านบรรลุของที่เห็นโทษของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจ mm. เห็นเหตุของความไม่สบายใจว่าเกิดจากความอยากในสิ่งที่ไม่แน่นอนอยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอนนั้นแน่นอน อยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยมนั้นเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามความต้องการได้ให้เป็นไปตามความต้องการพระโสดาบันท่านเปงนละศีลพัฒน์จัรมาร ก, ก็คือการที่จะไปทําบุญสะเาะเคราะห์ต่างๆท่านรู้แล้วว่าความเสื่อม น, นี้เป็นเรื่อง มีเหตุอยู่สองประการด้วยกันกือเสื่อมเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธรรมชาติของทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครหรือต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นเช่นเดียวกันมีเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาและการเสื่อมเหตุของการเสื่อมข้อที่สองเหุที่สองก็คือ การเสื่อมที่เกิดจากการทำบาปนี่เวลาทำบาปแล้วก็จะเสื่อมจากสิ่งต่างๆมาได้เช่นไปค่าสัตว์ชนิด ก, ก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางก็จะเสื่อมจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการไปเพราะเวลาอยู่ในคุกนี่ไม่เหมือนกับอยู่นอกคุกอยู่นอกคุกนี่ยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการชนิดต่างๆได้ แต่พอไปติดคุกก็สุกข์ิษณอนโอกาสที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายอันนี้ก็เหมือนกับเสื่อมจากความสุขคือเปลี่ยนจากสุขมาเป็นทุกข์ไปผลนี้เกิดจากการจะทำบาปพระสุดาบันท่านจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดท่านจะรักษาสี่ห้าอย่างบริสุทธิ์ ตลอดเวลายอมตละแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาถินาเพราะการเสียชีวิตนี้ไม่เป็นโทษจากจิตใจเหมือนกับการทำบาปการทำบาปแล้วจะทำให้ใจิตใจไม่สบายใจแล้วก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายตามลาดับต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะต้องไปตกนรกบ้างไปเกิดปเป็นเศษบ้างไปเป็นเรือฉาบ้างก mm ็ะ hmm. บาปที่ได้ทําเอาไว้เป็นเอตุพาให้ไปเกิดในอบายนั้นเอง mm hmm. ถ้าไม่ทําบาปเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย mm hmm. ไปเกิดในสวรรค์ถ้าได้ทําบุญถ้าไม่ได้ทําบุญเลยไม่ได้ทําบาปเลย ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ถ้าขยับจากขั้นพระสุดาบันขึ้นไปสู่ขั้นพระอนาคามีขั้นขั้นไปพระสกิดาคามีและพระอนาคามีนี้เป็นขั้นที่ต้องใช้อสุภกรรมฐาน ต้อาพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายให้เกิดความเบื่อหน่ายให้คลายความกำหนัดยินดีในกามอารมณ์ในในความอยากเหตุการในร่างกายต้องให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหนรียญซากศพพิ จ, จารณาร่างกายตอนที่ตายไปแล้วว่าอยู่ในสภาพอย่างไร หน้าดูน่าวักหน้าปราถนาหรือไม่หรือดูในสภาพที่เปลี่ยนไปเวลาเกิดอุบัติเหตุเป็นโดนไฟไหมผิวหนังถูกไหมเกรียมหรือมีอวัยวะที่พิกลพิการไปและยังจะมีความรู้สึกทางการมารมกับร่างกายหรือไม่ ให้ดูส่วนไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ที่ทําให้เราดับการมาลงได้บางท่านก็ดูเข้าไปข้างในดูอวัยวะต่างๆเช่นผ่าหน้าอกผ่าท้องออกมาดูดูว่าที่หน้าอกที่หน้าท้องไม่มีอะไรบ้างข้างในก็จะเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลําไส้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะ ไม่มีความพิศวา่าไม่มีความกำหนับยินดีในความสวยงามของร่างกายที่อยู่ภายนอกอันนี้เราต้องพิจนาน่าถ้าคิดจนาน่ได้ถึงขั้นหนึ่งที่เรียกว่าทําให้กามารมณ์นี้เบาบางลงไปคือยังไม่หมดไปแต่ก็ไม่ดุนแรงก็เรียกว่าเป็นขั้นสติดากาม ทาาสันติธาตานีนี้สามารถทำให้การมาลลมเบาบางได้ครับไม่ใช่มีการมาลตลตลอด24ชั่วโมงเจวันต่ออาทิตย์อาจจะนานสักทีถึงจะเกิดการมลลงขึ้นมาเวลาช่วงที่เผลอไม่ได้พิจนาอัุภะช่วงไหนที่ไม่เผลอพินจนาอัศวะอีกการมาลลมก็จะถูกข่มเอาไวถ้ถุกกตับไป แต่ถ้าอยากจะให้การมาไ์ไมนี้ถูกจับไปอย่างถาวมก็จำเป็นจะต้องพิจารณาอสุภะตลอดเวลาจนไม่มีช่องว่างให้การมลมโผล่ขึ้นมาเห็นรูปบ้างหน้าตาของไครก็จะเห็นเป็นเป็นซากศพไปเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายใต้ผิวหนังเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่ถูกขับออกมา ทางตะวันต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีการมาลงเพราะดับการมาลงได้ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีได้พระอนาคามีนี้จะไม่มีความอยากได้ร่างกายของใครนวท่านของตนเองก็ไม่อยากมีเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายแล้ว การที่มีร่างกายก็เพราะยังมีการมาลงอยู่ยังมีความอยากในการจึงต้องใช้เครื่องมือก็คือร่างกายร่างกายมีอะไรที่เป็นเครื่องมือต่อการเกิดการมาลงก็คือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายนี้เองที่เราใช้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของพะให้เกิดความสุขใจขึ้นมาพอไม่มีความอยากที่จะเสิดรูปเสียงกลิ่นรสของพระ ก็ไม่มีการจมเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกพิ้นกายถ้านาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ท่านก็จะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นพรหมต่อไปเพราะจิตของผู้ที่ได้รับกะล ก, การมณองงเป็นจิตของพรหมนี้เอง ลมก็คือผู้ที่ไม่เสลี่กางเหมือนพวกที่นั่งสมาธิหลับตาตรงนี้ก็ไม่มีความอยากในกางต่างกันตรงที่ว่าการมลลมของพวกที่นั่งสมาธินี้ไม่ดับไปอย่างขาวว่างเป็นเพียงถูกกดไว้เหมือนหินทับหญกส่วนการมลลมของพระอนาคามีนี้เป็นการมลลมที่ถูกกาลายไปหมด เพราะว่าเป็นการถอนรากถอนโคนของหญ้าหญ้าไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาอีกจะมีหินทับอยู่หรือไม้ ก, กระดามหญ้าจะไม่มีวันที่จะงอกเองยขึ้นมาได้เพราะถูกถอนรากถอนโคนออกมาหมดแล้วส่วนสมาธินี้เป็นการเอาหินไปทับหญ้าเป็นเอาสติไปกดการอาลมไว้ให้สงบตัวอยู่ชั่วคราวพอ สติอ่อนกำลังลงการมานลมก็จะผุดโผล่ขึ้นมาได้แต่การถอดถอนด้วยร ะ, ะถอนลาบถอนโทรมด้วยการเจริญอสุภานี้เป็นการถอดถอนอย่างสาวโจะไม่มีการมานลมเพราะการมานลมนี้ไม่มีใช้นี้จะเห็นหน้ากายเป็นอสุาอาูีตลอดเวลาไม่เห็นว่าสวยว่างามเหมือนปุถุชนธรรมดา หรอเหมือนพระสกิดาคามีหรือเหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ยังเห็นร่างกายสวยงามพระสกิดาคามีก็ยังเห็นบางเวลาสวยบางเวลาไม่สวยส่วนพระอนาคามี น, นี้เห็นตลอดเวลาเลยว่าเป็นอสุภะอย่างเดียวไม่สวยเลยนี่คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ต้องบรรลุที่การดับปัญหาความอยากถ้าบรรลุแล้วยังมีความอยากอ ย, กอยู่ไ่มบรรุแบบจินตนาการไม่ได้บรรลุแบบจริงจริงแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่แบบพุทุชนอีกต่อไปบรรลุเป็นท้าโสดาบรรลุแต่ก็อยากจะกลับไปอยู่แบบโซดาอยู่แบบพุทุชนต่อไปอันนี้ก็เป็นการขัดกัน ระวันความคิดกับความกับการปฏิบัติคิดว่าตนบรรลุแล้วหายสงสัยแล้วแต่ความอยากยังอยากจะกลับไปอยู่กับราบยศสรรเสริมอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพราะเวลาบวชนี้จะต้องถูกบังคับในเรื่องของการอารมณ์ในเรื่องของการกินอยู่ ต้องอยู่แบบสมถะเรียกง่ายอยู่แบบไม่มีการเสกกามถึงแม้ว่ายัางไม่ได้บรรลุก็ต้องพยายามควบคุมบังคับด้วยศินก็คือศินแหรือสินสองี่สิบของพระสินเหล่านี้ก็มีไว้ร้อมข้อการมาลงเป็นเหมือนรั้วน้องการมาลงเป็นเหมือนที่เรารั้ว เอามาร้องสักเลี้ยงเช่นวัวควายถ้าเราไม่ต้องการให้วัวควายนี้ออกไปเพ่นพ่านไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือว่าไปอยู่ที่ห่างไกลจนเวลาจะต้องการจะเอามาใช้งานก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้ก็ต้องร้องข้ อ, ขอไหไวฉันใดความอยากในการก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มี ศีลเป็นรือล้อมคอบเอาไว้มันก็จะไปเสด็จการตามอารมณ์เวลาเกิดการอารมณ์ก็ก็จะเสด็จแบบเดรัชา น, นเวราชานี่ไม่มีแม้แต่ศีลห้าอยากจะเสด็จการกับใครก็เสด็จตัวไหนอยู่ใกล้ก็เอาตัวนั้นไม่รู้ว่าเป็นเป็นคู่ของใครหรือไม่แม้กระทั่งเป็นดิดาหรือมารดาของตนก็ไม่รู้ เมื่อเกิดการอารมณ์แล้วเหมือนคนตาบอดไม่รู้ว่าเป็นใครรู้อย่างเดียวว่าเป็นเป็นสิ่งที่สามารถเสกการมได้เข้ก็จะเสกทันทีอันนี้ก็คืออาจจะเป็นปัญหานี้ั่งที่จะต้องลาสิกขาไปทั้งทั้งที่ได้บรรลุได้เขาไม่สงสัยในธรรมแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถอยู่ในกรอบของีสองร้อยยี่สิบเได้ไม่สามารถเก็บตัวอยู่ในป่าในเขาได้ยังอยากจะออกไปเพษสัมผัสกับแสงสีเสียงกับเลือกเสียงเกินลดผทพพะชนิดต่างๆอันนี้ก็ต้องพูดไวเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจของนักบวชทั้งหลายว่าระวังจา ถูกตัวเองหรอกถูกกิเลสของตัวเองหรอกว่าตัวเองบรรลุแล้วสบายแล้วทีนี้จะทำอะไรก็ได้จะไปตามศูนย์การค้าก็ได้ไปตามแหล่งมันเทิงต่างๆก็ได้ใจเราไม่หวั่นไหวแล้วอันนี้ไม่ใช่มันไม่หวั่นไหวแต่มันอยากก็อยากต้องไม่อยากถ้าไม่อยากแล้วมันก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากใป ถ้าอยากไปแล้วมาอ้างว่าไม่หวั่นไหวไม่สงสัยนี้่แสดงว่าเป็นการอ้างที่ผิดต้องอ้างว่าไม่อยากแล้วถ้าไม่อยากแล้วไปทําไมถ้าไปก็แสดงว่ายังอยากเหมือนคนที่กินเหล้าจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่เลิกสักทียังกินอยู่นั่นคนสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันจะเลิกสูบเมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่ไม่เคยเลิกสูบมันไปอยู่นั่น อันนี้ เ, เป็นการหลอกตัวเองหรือถูกกิเลสหลอกโนไม่รู้สึกตัวจึงอยากจะให้เราเวลาที่เราเข้ามาในทางศาสนาพุทธนี้เราต้องมีผู้สอนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอริยสงฆ์หรือเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบแลวเราจะได้มีมาตรฐานไว้เป็นตัวยึด ว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้เราปฏิบัติอย่างท่านหรืปล่าเราจะมาอ้างว่าเราบรรลุแล้วแต่เรากลับไปทนตัวไม่เหมือนกับท่านได้อย่างไรท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่สกแต่เราบรรลุแล้วเราสึกอย่างนี้มันก็ขัดกันถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราศึกษาไปตามลาพังของเราเราก็อาจจะคิดเข้าข้างตัวเราเองได้ตลอเวลา เพราะฉะนั้นควรที่จะมีครูบาอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งเป็นแบบฉบับถ้าหาครูบาอาจารย์ในในในพระที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ก็หาครูบาอาจารย์ที่ตายไปแล้วก็ได้เป็นแบบฉบับศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอ า, ารามปัสาวลกทั้งหลาย เราดูว่าท่านบรรลุทำแล้วท่านเสร็จหรือเปล่าท่านเลิกถือศีลหรือเปล่าท่านกลับมาเดินเล่ากลับมาเล่นการพนันกลับมาเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าเราต้องดูอย่างนั้นไม่ใช่นั้น้วเราจะหลอกตัวเราเองคือเราจะถู ก, กเกลียดหลอกเ ร, เราจะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราบรรลุแล้วเราทำอะไรก็ได้อันนี้ก็มี ที่หลงกันอย่างนี้ดังนั้นการปฏิบัติที่จะปลอดภัยต้องมีครูบาาจารย์ไม่ว่าจะในในในรูปแบบของผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือในรูปแบบของผู้ที่ตายไปแล้วก็ได้ต้องดูชีวประวัติดูการประพฤติของท่านว่าเป็นอย่างไรดูว่าท่านบรรลุแล้ว ท่านสด็จหรือเปล่าท่านกลับไปมีภรรยาหรือเป่ท่านกลับไปหาราบยศรัสเสนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นมาตรฐานวัดความจริงได้เหมือนกับเวลาเราขับรถยนต์ถ้าเราไม่มีมาตรวัดความเร็วเราจะไม่รู้ว่าเราวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าเราก็อาจจะหลอกตัวเองได้ว่าวิ่งไม่เร็วเลย แต่ทําไมถึงตํารวจถึงจับเรา mm hmm. ก็เพราะว่าเขามีมาตรวัดความเร็วเขาแอบซ่อนจับจับดูเราอยู่เ mm hmm. พอพอเราวิ่งเลยความเร็วที่เขากําหนดไว้เขาก็เขาก็จับเรามาปรับ mm hmm. แต่ถ้าเรามีมาตรวัดความเร็วอยู่ในรถเราก็จะดูได้ว่าตอนนี้เราวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วน mm hmm. ี่แหละคือความ ที่มีครูบาอาจารย์เป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติไปถูกทางหรือไม่ถ้าไม่ดูครูบาอาจารย์แล้วก็คิดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนก็มักจะหลงทางกันแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่สนใจดู เหมือนกับไม่มีภูบาอาจารย์เช่นพระเทวทัตนี้ก็บวชกับพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่กลับมาคิดว่าตนเองนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับนิมนต์พระเทวทัตไม่รับนิมนต์พระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์พระเทวทัตไม่สันไม่ฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าอยู่ในกุติพระเทวทัตอยู่อยู่โคนไม้ เทวทัศก็เลยคิดว่าตนเองเก่งกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยความเหลงคิดว่าตนเองมีวิเศษบรรลุแล้วบรรลุสูงกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้ายัางฉันเนื้อสัตว์เขาไม่ฉันเนื้อสัตว์แล้วแม้แต่พระพุทธเจ้ายังอยู่กุติเขาไม่อยู่กุตติใครจะเข่งกว่ากัน พระพุทธเจ้ายังรับนิมนต์เขาไม่รับนิมนต์อันนี้เป็นเรื่องปิดยอยเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่เอาเรื่องที่ไม่สำคัญมาเป็นตัววัดความเก่งกาจไม่ดูความตัวสำคัญก็คือตัวตันหาความอยากพระพุทธเจ้าไมา่ไม่ได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่เทวทัตยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ยังมีภาวะตันหา ย, ยังอยากมีอยากเป็นอย่ถึงกับต้อง ขออนุญากจากพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์เองอันนี้กลับมองไม่เห็นกิเลส ข, ของตัวเองอันนี้แหละทั้งๆที่อยู่กับพระพุทธเจ้าศึกษากับพระพุทธเจ้าก็ยังหลงได้ยังถูกหลอกได้แล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์เลยนี่โอกาสที่มันจะถูกหลอกนี่มันจะมากแค่ไหนนี่แหละเรื่องของการปฏิบัต ว่าทำไมจำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่ใช่มีครูบาอาจารย์มานั่งคอยนั่งสมาธิกับเราอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นเวลานั่งสมาธินี้ไม่ต้องนั่งกับใครนั่งคนเดียวต้องการอยู่คนเดียวต้องการปิดวิเว่เพราะเวลานั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อ น, อ น, นี้มันรบกวนกันเดี๋ยวคนนั้นก็ไอคนนั้นก็ขยับเดี๋ยวคนนั้นก็ลุกไปอันนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งปฏิบัติ ปฏิบัติเวลาปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติคนเดียวแต่เวลามาฟังเทศฟังถามนี้มาฟังพร้อมๆกันมีปัญหาอะไรก็ถามกันเพื่อให้หายสงสัยจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยพาเดินพานั่งทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นการปฏิบัติส่วนตัว ทุกคนต้องมีสติควบคุมใจของตอนเองควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปื่อไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้คิดอยู่กับพระคำเดียวก็คือพุทโธพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธไม่ไปคิดเรื่องต่างๆใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายความอยากต่างๆก็จะเบาบางลงไปหรือถูกกดไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาด้วยอำ น, นาจของสติ แต่เวลาได้แทบเพลสติปั๊บไปคิดถึงเรื่องตู้เย็นก็อยากจะเลงนวดเดือม น, นี่อยากจะหยิบขนมออกมารับประทานถ้าคิดถึงตู้โทรทัศน์ก็อยากจะเปิดดูว่าตอนนี้มีรายการอะไรบ้างต้องไม่คิดถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีความอยากความอยากไม่สามารถทํางานได้แต่ความอยากยังไม่ตายไปด้วยอํานาจของสติจะตายด้วยอํานาจของปัญญาว่าดูไปทําไมดูแล้วมันได้อะ ดูลางก็ทำนั้นดูมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้วิเศษวิโสขึ้นมาหรือเปล่าพอหรื อ, อยังเกิดความพอหรื อ, อยังหรือยังอยากดูอยู่ไปอย่างนั้นอยู่ไปก็เสียเวลาจิตใจไม่สงบจิตใจไม่สบายดูไปทำไมดูแล้วทุกข์ใจไม่สบายใจเวลาไม่ได้ดูก็เครียดอยากจะดูหงุดหงิดลาพานใจเพราะติดอยากจะดูนั่นเองให้คิดแบบนี้ด้วยปัญญาเพื่อจะได้หยุด ความอยากต่างๆได้อันนี้แหละถ้าเราอยากจะดูถ้าไม่มีมากรถ้าอยากจะรู้ว่ามาตรวัดการเจริญของการปฏิบัติของเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ความอยากนี้ยังอยากในกามหรือเปล่าอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะหรือเปล่ายังอยากมีอยากเป็นหรือเปล่าอยากให้มีรูปติตรูปหาหรือเปล่าอยากให้คนเข้าคาลบนับถือเราหรือเปล่าอยากจะได้ ลาบยศสาะเสหนีอเปล่าไอ้เหล่านี้แหละเป็นตัววัดความเจริญของการปฏิบัติถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็ถือว่ายังไม่ก้าวหน้าถ้าความอยากเหล่านี้เบาบางลงไปตามลาดับอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลยอย่างนั้นก็ขอให้เราจง ใช้แนวทางที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติดำเนินกันคือขั้นต้นก็ให้เราศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วก็าำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ศึกษาไปปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุเวลาบรรลุก็ต้องดูมากว่าบรรลุอะไรขันแน่บรรุด้วยการดับความอยากหรื อ, อบรรลุด้วยการเกิดความอยากใหม่ขึ้นมา อยากจะเสร็จอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรลุได้อย่างไรอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้จะบรรลุได้อย่างไรให้ดูตรงนั้นดูที่ความอยากว่าหมดหรือยางการมติตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาสามตัวนี้ยังมีอยู่ในใจหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ในใจก็ยังไม่ถือว่าบรรลุถ้าไม่มีแล้วนั่แหละถึงจะเรียกว่าบรรลุถ้าบรรลุแล้วทนี้จะ เอาไปสั่งสอนกับใครที่ไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรมะสั่งสอนก็ได้ไม่สั่งสอนก็ได้สุดแท้แต่ความความเหมาะสมของของผู้แสดงเองและของผู้ฟังถ้าอยากจะสอนแต่ไม่มีคนมาฟังก็สอนไม่ได้ถ้ามีคนมาฟังแต่สอนไม่เป็นก็สอนไม่ได้เหมือนกันพระฟังท่านท่านบรรลุแล้วท่านสอนไม่เป็นท่านก็ไม่สอน ท่านก็พูดช้านๆว่าศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาพุทโธธ ร, รมโมสังโฆก็อสอนได้เพียงเท่านั้นแต่จะให้สอนแบบละเอียดทุกขั้นทุกตอนนี้ท่านก็ไม่สามารถสอนได้ก็มียังมีพระปเจกับพระพุทธเจ้าเเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่สั่งสอนผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะพูดไม่มีผู้สนใจจะมารับการสั่งสอนก็ได้ หรือท่านเองไม่ถนัดในการสั่งสอนก็ได้ท่านถึงไม่สอนเพราะพรุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นการเกิดมีความรู้สึกจะไม่สอนไม่อยากจะสอนใครเหมือนกันแต่เป็นบุญวาสนาของพวกเราที่เท้ามาหาธรมได้มาอาราธนาให้ท่านมีความเมตตาต่อสัตว์โลกจึงทำให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยจากการที่จะไม่อยากจะสอนกลับมาสั่งสอ น, นสัตว์โลก คือปรากฏมีพระอรหันต์ปรากฏมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของสา์โลกมาจนถึงทุกวันนี้เกิดจากลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุแล้วดับความอยากต่างๆแล้วไม่ได้เกิดก่อนหน้านั้นดังนั้นพวกเราก็อยากข้ามขั้นตอนกันอย่าออกมาสอนทั้งๆที่ใจยังมีตัณหาความอยากอยู่เป็นหัวใจพราสอนแล้วมันจะสอนไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันจะสอนด้วยความอยากสอนเพื่อน้องน้าเอาลาบใส่ตนเองสอนเพื่อให้คนอื่นเขาเ้าลบนับถือตนถ้าเ้าไม่นับถือตนก็โกรธเสียใจก็ <c oughs> ขอให้เอาบริยัติปฏิบัติปฏิเวศและการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นนี้นำเอาไปพิจารณาปฏิบัติเพื่อ ประโยนสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ปัญหาอยู่ที่ใจเราเราไปมองถ้าเรามองไม่ตรงกับความจริงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา พอเราพอมองอะไรเป็นของเราก็จะเกิดความอยากให้ของที่เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแต่ของต่างๆที่เราได้มานี้มันไม่ได้เป็นของเราและมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเราถึงต้องพยายามมองว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรามองอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ทุกข์กับร่างกายของเรา เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายของเราเขาจะจ่าเราไปเราก็ปล่อยเข้าจ่าเราไปปัญหาของเราตอนนี้คือเราปล่อยไม่เต็มการปล่อยก็คือต้องทําใจให้เป็นอุเบกขานี่คือสาเหตุที่เราต้องทําสมาธิกันเพราะการทําสมาธินี้จะทําให้ใจของเราเข้าไปสู่จุดอุเบกขาได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิใจของเราจะไม่อยู่ในจุดนั้นใจของเราจะหยุดจะอยู่ต้องจุดอ่า ัชังถ้าเห็นน้ำกายที่เราชอบเราก็จะรักเห็นน้ำกายที่เราไม่ชอบเราก็จะชังเราจะดูเฉยเฉยไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเวลาเราเห็นน้ำกายที่เรารักเราก็จะเฉยเวลาเห็นน้ำก<ๆ>ายที่เราชังเราก็จะเฉยปัญหาของเราคือเราหาจุดความเป็นการของใจเราไม่เจอถ้าเป็นรนถก็หาเกี่ยวว่างไม่เจอจีบจอดรถไม่ได้ รถมันก็เลยวิ่งแหลกไเลยไม่เดินหน้าก็ถอยหลังหาเกียรว่างไม่เจอถ้าบจกเกียรว่างแล้วมันก็จอดสบายใจของเราไม่เฉยเหมือนอะไรแล้วต้องรักหรือชั ง, งทันทีที่จะเฉยเฉยนันไม่มีนี่ครัจึงต้องฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธินี้เป็นการเข้าเข้าสู่เกียร์ว่างของใจ ถ้าเข้าถึงเกียวว่างทีงนี้เราจะเข้าใจแล้ววิธีที่จะรักษาเกียวว่างรักษาให้ใจนี้อยู่เกียวว่างเป็นยังไงก็คือหยุดความคิดปรุงแต่งนั่นงให้รู้เฉยๆรู้แล้วอย่าไปปรุงแต่งว่าดีหรือชั่วเอไปปรุงแต่งว่าดีมันก็จะออกจากเกียวว่างพอดีก็อยากจะได้พอชั่วก็อยากจะหนีหรืออยากจะไปทําลายมันแต่ถ้าเราดูว่ามันเฉยๆมันเป็นสักดิแต่ว่า เป็นภาพที่เราเห็นด้วยตาเท่านั้นเองมันไม่ดีไม่ชั่วเราไปสมมติมาไปว่ามันดีว่ามันชั่วเองเอาจริงมันก็เหมือนกันหมดเมืนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดมีเกิดมีดับเหมือนกันหมดต้นไม้มันมีเกิดมีดับศาลาหนังนี้มีเกิดมีดับแต่เราไปมองว่ามันดีมันชั่วเองพอมองว่ามันดีก็ไม่อยากจะให้มันดับมองว่ามันชั่วก็อยากใช้ให้มันดับทันทีถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา พอมันไ ม, ไม่เป็นไปตามที่เราใจเราอยากใจของเราก็ทุกข์ขึ้นมาทางทีแต่ถ้าเราใจเราดูเฉยๆอยู่เป็นอุนเบกขาเฉยๆมันจะชั่วก็เรื่องของมันมันจะดีก็เรื่องของมันเรื่องก็จะจกเราก็จะอยู่อย่างไม่มีปัญหากิดขึ้ปัญหาของเราตอนนี้เราไม่อยู่เกี่ยวว่างกันหาเกี่ยวว่างไม่เจอถ้าไม่เข้าเกี่ยน้าเข้าเดินหน้าก็ต้องถอยหลัง พอเห็นสิ่งที่แล้วก็ใส่เกียร์หน้าเดินเข้าหาเลยพอไปเจอสิ่งที่ชอบ ท, ที่เกลียกก็เข้าเกียร์ถอยหลังเลยถอยดีกว่าแต่บางทีถอยก็ไม่ได้ไม่มีที่ถอยจะทำไงก็ทุกต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะทำใจเฉยไม่เต็มถ้าทำใจเฉยเป็นแล้วถ้าถอยแล้วถอยไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเช่นเจ็บไข้ได้สวยมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไป อยู่แบบเฉยๆนี้ยจะไม่ทุกข์ถ้าใจเฉยๆแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าใจไม่มีความอยากให้มันหายจากการเจ็บไข้ได้ปวดมันจะไม่ทุกข์ถ้อยู่กันไปเหมือนจะไม่มีไม่มีความเจ็บไข้ได้ปวดเวลาร่างกายสบายก็ยังทุกข์กันเลยพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ปวดยังไม่ทันเจ็บก็เจ็บไปทุกข์ไปก่อนนะไม่อยากจะเจ็บพรใจมันไม่เฉยมันพรงแต่งไปตลอดเวลา มังแต่งแล้วก็าเกิดความรักเกิดความชังขึ้นนลย้นก็เกิดความอยากขึ้นเลกเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นเลยเราต้องฝึกสมาธิกันให้มากๆสมัยนี้รู้สึกว่าพุทธศาสนิกชนของเราจะไม่สนใจกัรเรื่องการทำสมาธิเลยจะเอาแต่ดูจิตกันอย่างเดียวดูแล้วทำให้มันเฉยได้เปล่าลยากม ถ้าดูจิตก็ดูเพื่อให้มันเฉยถ้ามันไม่เฉยก็ต้องทําให้มันเฉยถึงจะเรียกว่าการเป็นการดูจิตนี่มันมันดูจิตให้มันไม่เฉยไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราดูเช่นร่างกายเรายังไม่เข้าใจมันพอเราดูทีไรเราก็จะไม่เฉยทันทีดูร่างกายของคนที่เราชอบแล้วก็อยากให้เขาอยู่กับเราพอเจอร่างกายของคนที่เราไม่ชอบก็อยากให้เขาตายเราไม่เข้าใจว่าเราไปสั่งไม่ได้เข้าใจไหม เราไปสั่งร่างกายของคนนั้นคนนี้ให้อยู่ให้ตายไม่ได้เราสั่งร่างกายของเราให้ให้อยู่รือให้ตายไม่ได้มันต้องอยู่ตายไปตามเรื่องของมันเราถึงจะรักษาใจให้เฉยได้เป็นกลางได้ถ้าเรามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตานอนัตตก็คือเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราไม่ใช่เป็นของเราแน่เน่ เรามัจะคิดว่านั่นและนี่เป็นของเราเ้าจัดการกับมันได้สั่งมันได้เวลาสั่งได้เราก็ดีใจพอเวลาสั่งไม่ได้ก็เสียใจมันต้องมีทั้งวันที่เราสั่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามถึงเวลาที่มันจะไม่ให้เราสั่งถ้ามันก็จะไม่ฟังเราแลนั้นอย่าหลงอย่าไปคิดว่าเราสั่งทุกสิ่งทุกอย่างได้เราต้องพร้อมที่จะรับกับความจริงเสมอว่า ท้วงวันหนึ่งเราจะสั่งอะไรไม่ได้เลยควบคุมอะไรไม่ได้เลยเราต้องทำใจให้เฉยอย่างเดียวเ้่านั้นเราถึงจะปลอดภัยจากความทุกข์ถ้าใจเราไม่เฉยเร่างใจเราจะทุกข์กับทุกอย่างทุกเรื่องเห็นอะไรก็ไม่ชอบก็อยากให้เป็นอย่างอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ชอบก็อยากให้เป็นอย่างอื่น <c oughs> ความอยากของใจมันไม่มีวันสิ้นสุดอยากไปเรื่อยๆเพราะความ จำเจจะทําให้เกิดความเบื่อขึ้นมาเวลาไม่ได้เวลาได้ของใหม่มาก็าดีอกดีใจสุขกำมันไปพออยู่กำมันไปนานๆเข้าก็เบื่อเบื่อก็อยากจะทิ้งมันไปอยากจะหาของใหม่มาทดแทนนี่แหละคือธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนี้เป็นอันตรายมากถอให้ได้อะไรมามากน้อนยเพียงไรก็ตามมันจะไม่ให้ความอิ่มความพอ ม, มันจะให้ความสุขเดียวเดียว แล้วเดี๋ยมันก็จะเกิดความเบื่อหน่าแล้วก็เกิดความอยากที่จะเทิ้งมันไปอยากจะเปลี่ยนมันอยากจะได้สิ่งใหม่มาทดแทนแล้วเราหยุดความอยากด้วยการทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเพราะเป็นอุเบกขาแล้วมันจะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับอะไรมากี่ปีก็อยู่ได้ไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกอะไรไม่มีอะไรก็ไม่มีความอยากจะมีอยู่กับการไม่มีได้ มีก็อยู่กับมันได้ไม่มีก็อยู่ได้ใจจะเฉยๆกับทุกสภาพอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เาวพูดเรามองข้ามกันมรือปฏิบัติกันไปไม่ได้ไม่ได้ผลอย่างแท้จริงเป็นผลแบบจินตนาการกันไปเองอย่างนี้มีพวกที่เป็นผู้ปฏิบัติแล้วไม่เป็นนักบวชเป็นอาจารย์กันเยอะแยะไปหมด ไม่รู้เป็นอาจารแบบไหครับกไปมองว่าเรื่องบวชไม่จําเป็นไม่สําคัญเรื่องบวชนี่แหะเป็นตัววัดสิเลชของเราว่าเราปากสิเลสได้หรือเปล่าคนที่ยังบวชไม่ได้แสดงว่ายังยังปากสิเลทั้งตัวไม่ได้ ไม่เชื่อลองมาบวดูดูสิคนที่ว่าเก่งมีอะไรไหมไม่มีจะให้พรนะยะขาวาฤวาหาภูราปรฤกเรนติสาทลังเอวเมวะอิโตตินางเตตานางอุปกัรปฏิ พิชิตตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะจามิตตุจับเทโปรเณตสังกาปาจั น, โ ท, นโทพนาวะโสยทัสมะนิโชติระโยทัสสัพิโ ย, ยวิวัจจันตุสาารโควินัตุมาเตปวัตวันตระายุสุขีทิฆายุโกภา ท้ิวอาทันสีิทธะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารุธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลังทันที่มาที่หนังอยากจะถวายของอยากจะมารับหนังสือซีดีก็เข้ามาได้นะ